สังกนญายกองที่สองกำลังจัดระเบียบจิตการจัดระเบียบจิตในที่นี้หมายถึงการถึงกระบวนการควบคุมการหายใจเพื่อที่จะผ่อนคลายร่างกายและทำให้จิตสงบซึ่งกล่าวกันว่าเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อสุขภาพ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดระเบียบแห่งจิต จัดสวนไม่ใช่เพิ่งมาศึกษาที่สำนักวิปัสสนาวังสันติบัรพศจัดมาตั้งแต่อยู่สนโมกะเดพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสหลวงพ่อไปอยู่ได้เจ็ดวันท่านก็มอบหนังสือลึกที่สุดเพราะเห็นว่าหลวงพ่อเป็นมหาป ร, รียนท่านก็เลยให้งวงโปหนังสืองวงโป พออ่านจิตไม่มีสีไม่มีแสง จ, จับต้องไม่ได้โอ้ยมึนหมดเลยนี่ทีนี้พอต่อมาต่อมาท่านก็ให้คุมการก่อสร้างอกก่อสร้างเสร็จท่านก็โยนหนังสือให้สองเล่มหนังสือการจัดสวน ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีพระรูปหนึง่งออมมาถวายท่าน<ๆ>ก็เลยดูแล้วดูอีกเป็นร้อยเที่ยว<ๆ>ก็ยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรทำยังไงทีนี้ก็ทำไปอย่างนั้นไหนๆท่านก็นั้นแล้วท่านก็ไหว้วางใจแล้วก็ทำไปอย่างนั้นมันเป็นยังไงมี พระที่เป็นนักศึกษามาบวชแล้วนั่งหน้ากุฏิของพ่อพรหลวงพ่อก็ยังไม่ได้บวชตอนนั้นเออทำอะไรไม่รู้มาหาเอีย้ยนเจ้า ก, กระปลกไปหมดจัดสวนก็ทำไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นหลวงพ่ออยู่ในอ้อมก็เลยไม่จกเถียงไม่อะไรกันนั่งนอนฟังนอนฟังที่เขาตีเตียงก็นอนฟังอยู่นอนฟัง เป็นยังไงทีนี้ตอนนี้มาดูเดียว่าเป็นยังไงวัดวังเนียงหรือสำนักวิปัสสนาวังสันติบันปศเป็นยังไงทีนี้นี่พระรูปนั้นก็เสกไปตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เรื่องในราวอะไรนี่ฉะนั้นเรื่องของเซนนี่ของพ่อ พ, อพอสานาน่สนใจมานานแล้วสนใจมานานแล้วก็สนใจมาเรื่อยจนกระทั่งว่าท่าน ให้เขียนภาพคือให้ช่างมาเขียนภาพเซนลงพ่อเขยิ่งได้เซนเท่าไปใหญ่เลยปีที่ผ่านมาก็ไปญี่ปุ่น ไปญีสิ่งที่ต้องการก็คือเพื่อที่จะไปดูสวนเ็งก็ได้ดูตามที่ปรารถนาไปวัดนั้นกส็สวนเสนวัดนี้กส็สวนเซงวัดโน้นกส็สวนเซงมีสวนเซนทางนั้นมีนวันเนี้ยท่านอาจารย์พุทธทาตุท่านบอกว่านี่นายเยี่ยงเจอมาดูทีเนี่ยนี่ภาพเสซนภาพนี้นะเรือ วิ่งไปในมาหาสมุทรแต่เรือนั้นก็เป็นเรือหินก็คือในประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละที่เขาถ่ายมาเป็นเรือที่คือก้อนหินมีลักษณะคล้ายกับเรือก็วิ่งไปในมาหาสมุทรมาหาสมุทรนั้นเขาก็ทําเป็นเอาปรวดเล็กๆแล้วก็ทําเป็นคลื่นเรือนี้ไปไหนเพื่อที่จะบรรทุกคนที่จะไปพระนิพพาน ทีนี้หลวงพ่อก็ไปญี่ปุ่นก็ต้องการที่จะเห็นภาพนี้ด้วยก็ไปวัดที่สามหรือวัดที่สี่ก็ไปเจอภาพนั้นก็เลยให้เขาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษอธิบายว่าเรือลานี้วิ่งไปในมาหาสมุทรเพื่อที่จะไปเอามาหาสมบัติคือเงินเงินทองทองโอ้หลวงพ่อผิดหวัง เีกเรถึงขนาดนี้แล้วญี่ปุ่นเห็นไหมทีนี้เรือม า, าสมบัติเรืออที่ทุกคนไปไปหาสมบัติคือเรียกว่านิพานสมบัตินิพานสมบัติส ม, มบัติที่เป็นวัตถุสมบัติที่เป็นอะไรนะ่นไม่ใช่แต่ว่านิพานสมบัติฉะนั้นพระนิพานสมบัตินี่นี่คนนี้ ก็มีกายวาจาที่สงบเย็นมีวาจามีจิตที่สงบเย็นแล้วก็มีกิเลสที่สงบเพราะมีสติปัญญาเราจะประเด็นให้ได้ว่ากายวาจาทําจิตให้สงบทําศีลทํากายวาจาให้สงบจิตอ สมาธิทำจิตให้สงบปัญญาทำให้กิเลสสงบเนี่ยมันสามสงบทีนี้สงบที่สามมันต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญากิเลสก็สงบไม่ลงฉะนั้นการที่จะมีปัญญาขึ้นมาได้อย่าลืมปฏิบัติตามเอริมักมีองเปร มีอยู่อีกแล้วพอเช้าขึ้นมาหลายวันวต่อท่านก็เรียกอีกนายเอี้ยนนายเอี้ยนเจอมานี้ดิเจอดูที่ภาพ น, นี้ลูกปรับเนี่ยลูกปรับหกลูกโ ย, ยมดูที่หลูก1 2 3 4 5แล้วก็6อีกลูกเนะี่ยมันสีขาวลูกด้านข้า ง, างๆนะมันสีขาว ลูกสีดำนะเห็นง่ายลูกสีขาวเห็นยากมันหกลูกอันนี้เธอว่าอะไรท่านอาจารย์ถามว่าเธอว่าอะไรหลวงพ่อก็บอกว่าก้าไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรท่านก็ว่านี่แหละลูกมาปรับหกลูกนี้ก็คืออายตนะหกอายตนะภายใน มีตามีหูมจีจมูกมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอายตนาหกนี้ปกติเห็นไหมอย่างกับตาของกูหูของกูจมูกลิ้นกายใจของกูหมดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีอุปท า, านมีอุปท า, าน มีอุปาทานอยู่ในใน ใ, นในสิ่งเหล่านั้นในหกอย่างนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ถ้าในขันหน้าก็รูปอุปาทานักขันโทขันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานักขันโทขันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาแันโยปาทานักขันโทขันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสสัญญา ดังการูปาธานักขันโธกันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาธานักขันโธกันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเราเอาอุปาทานออกไปอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเอาอุปาทานออกไปคือสิ่งที่เข้าไปรองรับลูกมาพรับหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, นั้นก็ทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่น เพราะฉะนั้นลูกครัหกลูกนี้ก็เท่ากับว่าอายตนะหกเรียกว่าขันห้าที่บริสุทธิ์ขันห้าที่บริสุทธิ์เพราะไม่มีอุปาทานก็เรียกว่าบริสุทธิ์ทขันบริสุทธิขันคือขันที่บริสุทธิ์เพราะเราต้องตา อาณาานะภายนอกอาณาานะภายในมันก็ทําหน้าที่ทั้งนั้นเลยแต่แล้วเราไปยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเหมือนลูกมาพรับเนี่ยที่ตั้งอยู่เป็นที่ว่างๆก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองมันก็เลยบริสุทธิ์อันนี้พูดเรื่องอุปท า, านีกพระรูปหนึ่งก้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ทำยังไงพระเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมมามากมายมากเหลือเกินไม่ทราบว่าจะจับประเด็นที่ตรงไหนเพื่อที่จะไปเอามาปฏิบัติพระองค์ก็เลยตัดว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงอันไครไไม่ควรเข้าไปยึดมั่นเถือมัน ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนนี่เห็นไหมเพราะเรายึดมั่นถือมัน่นจึงมีความทุกข์แต่เราเลิกความยึดมั่นถือมัน่นความทุกข์มันก็มีไม่ได้ทีนี้คนที่มีความทุกข์มันเต็มไปหมดทั้งโลกแล้วคนที่ไม่มีความทุกข์มีไหมมีคนไม่มีความทุกข์พระอรหันต์แปลว่าเว้นเว้นจากความยึดมั่นถือมัน่น ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่ประอกอบด้วยอุปาทานเป็นขันธ์ที่บริสุทธิ์ถ้าเราจะเห็นว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้เอาไปขัดเกลาวความยึดมั่นถือมัน่นทีนี้จะเกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นมา ก็ต้องไปลงที่การปฏิบัติตามอริยมรรไีองแปดแล้วก็เกิดตาปัญญาขึ้นมาเอเกิดตาปัญญาขึ้นมาตาปัญญา <c oughs> ก็เห็นอริยสัจสี่เห็นขันห <c oughs> ้าเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งฝ่ายดับทุกข์นี่คือเรื่องของลูกพระ ที่เรารับประทานกันอยู่บ่อยๆให้เราต้องเลิกความยึดมั่นถือมัน่นวันหนึ่งเราก็จะได้พบกับความสงบอย่างแน่นอน สังกายนายกองที่หกก็คือสิทโง่ไปรเรียนเซนนั่นเองแลนะสังกานายกองที่หกเพราะพระสังกานายกองที่หกเป็นคนยากจนอ่านหนังสือไม่ออกพ่อตายพ่อทําราชการจะเล้วไปช่อโกองเขาก็เลยโดนไล่ออกก็โดนไล่ลออก ก็ต้องไปอยหัวเมืองที น, นี้ได้ลูกมาคนหนึ่งเนี่ยคือพระสังกนายกองค์ที่หกทีนี้ท่านก็อยู่กับแม่อยู่กับแม่ก็ไปตัดฟืนมาขายในตลาดจนวันหนึ่งได้ยินเขาสวดว่าจะรักสูตรขึ้นมาก็ได้ยินแล้ววบเข้าไปในจิต คือคนที่มีความทุกข์เน่ยเป็นอย่างนี้แหละผมามันวิบเข้าไปในจิตเข้าใจโอ้นี่ก็พระวัดนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยตามไปหาทีนี้ตามไปหาก็เลยสั่งเพื่อนบ้านว่าฝากแม่เอาไว้ด้วยฝากแม่ไว้แล้ตัวเองก็ขายเกินกายเล่เสร็จให้คนอื่นช่วยดูแลพ่อแม่ด้วยก็ตามไปถึงถึงวัดของพระสังกา ย, ยกองที่ห้า เธอมาจากไหนท่านก็บอกว่ามาจากนั้นจากนั้น้ามาทำไมมาเพื่อจะจะศึกษาธรรมะคนอย่างเธอจะมาศึกษาธรรมะกับเขาด้วยหนะลวงพ่อถ้งว่าจะยากจนมั่งมีสีสุขธรรมะนี่มันจำเป็นสำหรับทุกๆุกคน เจ้านี่ฉลาดจริงไปไปอยู่ที่เรียกว่า้ที่อะไรที่เขาตำข้าวสารคือครกที่ตําข้าวสารก็ให้ไปอยู่ที่นั้นนอะเพราะที่นั้นมีสิทธิ์มากตั้งเจ็ดแปดร้อยคนพันคนมีสิทธิ์ที่นั้นฉะนั้นต้องตําข้าวสารให้พอให้พอแต่ละวันแต่ละวันนี่ ท่านกดตาข้าวสารไปพรางอไร่ยไปพางนี่ภาวนาไปพรางไม่ใ่กูไม่ใจกูไม่ใจกูนี่ลหรือ ว, ว่าอนิจจังอนัตตาอนิจจังอนัตตาอ้อนิจจังตึงอนิจจังตึงอร่ อ, รอตึงท่านทีทีเป็นไม้นั่นเนยครกทีเขาเรียกว่าครกทีอ่าทีนี้เขาทำกับหินสากนะเขาทำกับหิน การก็ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากข้าวที่อยู่ในน้มาเป็นข้าวเปลือกจากข้าวเปลือกมาเป็นก้าวสารจากข้าวสาระไปเป็นก้าวสุกจากก้าวสุกไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ท่านทุกคนรู้กันเอาเองในเรื่องนี้ คนไหนก็ได้แปดร้อยคนพันคนนั่นแหละคนไหนก็ได้ให้มาจนธนาทํากับท่านแล้วท่านจะโมบบาทกับจีวรให้อหัวหน้าสิทธ์ก็มีคนเดียวหัวหน้าสิทธก์ก็เนี่ยก็เคยเล่าบ่อยๆเรื่องนี้เล่าบ่อยๆเรนี้ท่านหัวหน้าสิทธ์ก็ไปเขียนว่า ไปเขียนที่ที่ขวาผนังนะที่ท่านออกมาตอนเช้าๆนะไปเขียนว่ากี้คุ่นลงมาจับต้นโพถ้ามีต้นโพก่อไว้มีต้นโพ ม, มีกระจกเงาทีนี้กระจกเงานะ่ยต้นโพก็เปรียบเหมือนร่างกายกระจกเงาก็เหมือนจิตมีต้นโพ มีกระจกเงาในทางที่ดีเราจะต้องเช็ดมันทุกเวลากระจกเงาเราต้องเช็ดมันทุกเวลามันจึงจะใสสะอาดเทนี้พระสังฆนายกองค์ที่ห้าท่านก็ออกมาตอนเช้าเอามาเห็นท่าวันนี้ใครเขียนในสิทธิ์เขาก็กราบเรียนท่านว่าวหน่าสิทธิ์มาเขียน ร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพจิตเปียบเหมือนกระจกเงาเราต้องเช็ดมันทุกเวลามันจึงใสสะอาดนี่เราลองคิดดูดิเราต้องเช็ดกันอยู่เรื่อยถ้ามันมีกระจกเงาเนี่แต่เสร็จแล้วท่านก็บอกเออนี่พวกเธอคัดไปไปท่องกันใครท่องแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ไม่ต้องลงนรก ก็เลยท้องกันทั้งวัดเลยจิตโงต่เรียงเสซนคนนี้แหละได้ยินเขาท่องเขาท่องอะไรกันเพื่อนคนนั้นบอกเจ้าโง่จริงก็ท้องกันทั้งวัดแล้วแต่ยังไม่รู้เหลอก็เลยบอกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเออไเอาเราไปดูดิแต่ตรง น, นั้นแหละนู่นตอนค่ำน่นแหละเพราะตอนกลางวันีท่านจะต้องตําข้าวตลอดเวลาจะข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร เอาตอนข้ามกับจุดตะเกียงไปไปถึงอออ่านให้เราฟังที่เพราะท่านก็อ่านหนังสือไม่ออกเขาก็ อ, า อ, อ่านให้ฟังร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพจิตเปรียบเหมือนกระจกเงาเราต้องเช็ดมันทุกเวลามันจึงใสสะอาดนี่ท่านว่าถ้าอย่างนั้นช่วยเขียนให้เราด้วยในเมื่อไม่มีต้นโพ ไม่มีกระจกเงาขี้ฝุ่นมันจะลงจับที่ตรงไหนนี่เหนไหม จิตของเราทุกๆวันนั่นแหละตื่นขึ้นมาดูจิตก่อนดูจิตก่อนดูจิตว่ายึดมั่นถึงมันอะไรบ้างมันจะมาเลยทีนี้พอตื่นขึ้นมาไม่เอาอะไรหายใจเข้าไม่เอาอะไรหายใจออกไม่เอาอะไรอยู่อย่างนั้นเพราะว่าทําไมเอาสิ่งทั้งปวงเกิดดับเกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตน ภาวนายอย่างนั้นจะเข้าห้องน้ําจะอะไรก็ภาวนาสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนนี่แหละให้เราไปรู้ต่อไปราก็จะรู้ทีนี้พระสังกานายกองค์ที่หเมื่อท่านไปให้เขียนโลกอย่างนั้นแล้วพระสังกานายกองค์ที่หท่านมาเห็นถามใครเขียน สิทธิ์ด้วยกันก็กล่าบเรียนท่านว่าโง่คนที่ตําข้าวนั้นเขียนอ๋อลบลบลบลกรีบรีบลบท่านก็เลยใช้เท้าของท่านเองลบถ้าเป็นภาษาคนเราเขาเรียกว่าดูถูกกันอย่างนี้แต่ไม่ใช่ท่านต้องการที่จะให้สิทธิ์ด้วยกันข้าวใจผิดว่าโอ้ยมันโง่ อ, อ่านหนังสือก็ไม่ออกแล้ยังไปเปเยะในการที่จะเขียน จะโล ก, กับเขาด้วยเนี่ยไอ้นคนอื่นก็ดูถูกแต่พร้อมกันนั้นท่านก็พอตีสามตอนกลางดึกท่านก็ไปไปห า, าไปหาหนายคนนี้หละทีนี้ท่านก็ไปเคาะครบอสามครั้งสามครั้งก็หมายความว่าตีสามไม่ไปเจอท่านก็รู้รู้กัน ก็ไปเจอท่านพอเจอท่านท่านก็พูดอะไรต่ออะไรให้ฟังแล้วทีนี้ก็มอบบาตรมอบจีวนให้เป็นพระสังกายยกองค์ที่หกทีนี้หัวหน้าจิตนั่นแหละอิจฉาริษยาท่านเลยท่านต้องบอกว่านี่ต้องไปทางนี้ทางนี้เกิดตอนแรกท่านจะให้ขี่เรือไปท่านก็ไปส่งท่านไปเรือไปส่งเองเลย ไอ้ไปที่นั้นไปซ่อนตัวที่โน้นที่โน้นที่โน้นท่านบอกหมดนี่ทีนี้หัวหน้าสิษย์ก็พยายามที่จะตามหาตามหาตามหาท่านเพื่อที่จะปล้นเอาจีวรนฆ่าท่านให้ตายคือบาทกับชีวอนนี่แหละเป็นพระสังฆนายกที่ต่อต่อตตกันมาตั้งแต่พระโพธิธรรมนุ่นออมาถึงพระสังฆนายกองค์ที่หกนี่แหละท่านก็เลยให้เลิก ไม่ต้องไปเอาแล้วบาทกับจีวร น, นั้นในในภาพนี้ท่านกําลังที่จะทำงานคือตัดไม้ไผ่การตัดไม้ไผ่หรือว่าอะไรก็ดีระเซนก็ถือว่าทุกวันระจะต้องทำงานถ้าไม่ทำงานไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องฉันอาหาราวันไหนไม่ทำงานนี่เรนี้ท่านก็ไดา้ย่ามังอะไรมัง่งปลูกผักมัง่งอายุมากแล้วท่านก็ไม่หยุด ลูกศิษย์บอกหลวงพอ่อพอได้แล้วพักผ่อนได้แล้วท่านก็ไม่เชื่อลูกศิษย์ก็เลยไปขโมยพวกจอบพวกเสียมพวกอะไรเล็กๆน้อยๆที่ท่านเครื่องมือของท่านนั่นแหละเอาไปเก็บเถอะเอาไปซ่อนเถอะท่ า, ทานก็เลยไปนอนในห้องท่านก็ไม่สนอาหารไม่สนอาหาร ลูกศิษย์ก็ตามไปหลวงพ่อหลวงพ่อถึงเวลาฉันอาหารแล้วอ๋อถ้าไม่ทางานแลยไปฉันอาหารมันเรื่องทําไม่ถ้าไม่ทํางานเพราะฉะนั้นเมื่อฉันอาหารก็ต้องทํางานนี่ดังนี้กายเซนเขาจึงพระทุกรูปจะต้องทํางานนี่เห็นไหมต้องทํางานนี่นะพระสังกา ย, ยกองค์ที่หกคือองค์สุดท้าย ของนิกายเซนมาาหาญา่ในประเทศจีน ผู้หน่งสามารถบรรลุทมได้เมื่อเขาขอให้นักบวชสอนสุดยอดคำสอนของเซนคำตอบที่ได้รับคือเมฆอยู่บนสวรรค์น้ำอยู่ในขวดซึ่งคำตอบนี้ทำให้เขาบรรลุทมโดยฉับพลัน คำเฉลยก็มีว่าพระพุทธเจ้าพระองค์กรัสว่าเธออยากยึดมั่นถือมั่นเมื่อพระองค์ไปไหนมีภิกษุที่เดินตามหลังพระองค์ที่ช่วยเหลือพระองค์พระองค์ถามว่านี่เธอเดินมานี่ขยะถุงพลาสติกอะไรต่ออะไรผ้าขี้ริ้ว เธอเก็บหมดหมายถึงว่ายึดมั่นถือมั่นหมดเห็นอะไรก็ยึดมั่นถือมั่นหมดนี่คืเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นทีนี้พอมาเรื่องนี้เนี่ยคือเราต้องรู้จักคิดอพอมาเรื่องนี้เราคิดถึงว่าธรรมชาติมันเป็นวัตจักรที่เรานั่งอยู่ที่ตรงนี้เราก็มีต้นไม้ เราหายใจออกไปเป็นคาร์บอนเจ็ดแล้วคาร์บอนนั้นก็ข้าไปอยู่ในต้นไม้ในใบไม้ใบไม้ก็รีไซเคิลออกมาแล้วก็เป็นออกซิเจนตามไปเราก็ได้เอามาหายใจอีกมีททำอยู่อย่างนี้ที่จะก่อวัฏจักรทีนี้เรื่องของพระอาจารย์รูปนี้ ระลูกศิ บ, บอกว่าบอกที่ชั้นชั้นนอยพระอาจารย์เพว่ามันยาวนักไม่ทราบว่าจะไปเอาที่ตรงไหน อ, อาจารย์เลยชี้นั่นอะไรใยขวดน้ำครับนู่นอะไรข้างบนเม็ดแค่นั้นเขาก็เลยเห็นวโอ้เขอมองก็ไปข้างไหนก็ไม่ได้มองข้างนอกแล้ว พออาจารย์ชี่ว่านอนอะไรเมฆนี่อะไรน้ําในขวดเขาก็ดูเข้าไปครังหนึ่งน้ําในขวดมันก็เกิดดับเกิดดับแล้วมันก็ละเลยขึ้นเป็นอไอเป็นไอก็เป็นเมฆเป็นเมฆก็เป็นฝนฝ น, นก็ตกลงมาเป็นน้ําำก็มาอยู่ในขวดอยู่ในแก้วอยู่ในหมอ้อในหอยในทะเลในหมหาสมุทรไปเป็นไอ เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้ไม่ได้เกิดดับหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นว่ามันหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นถ้าเข้าไปยึดมั่นถือมันมันทําไวย์จิตนี้พอเราปฏิบัติที่หลวงพ่อพูดพูดพูดเรื่องอนาปานสตินั่นแหะจิตสังขารจิตตัวคิดสังขารคือตัวความคิดสังขารคือตัวความคิด พอจิตเป็นพอนั่งสมาธิแต่เป็นต้องคิดทุกครั้งไปเลยภาวนาอยู่ได้ครึ่งเดียวเหมือนกับว่าภาวนาได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เอาไปคิดทีนี้เราต้องรู้ว่าเอ้นี่เราคิดทําไมไปคิดมันทําไมอตอนนี้ก็ต้องการที่จะไม่เอาเรื่องการปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งไม่เอาไม่เอาปรุงแต่งเพื่อที่จะให้เห็นจิต เพราะการปรุงแต่งนั้นมันไปบังจิตไปบังจิตหมดทีนี้พอจิตของเราสงบปัญญาก็เกิดแต่ถ้าไปคิดไปนั่งคิดคิดคิดคิดคิดไม่เกิดปัญญาไม่เกิดที่นายคนนี้ก็เตรียมพร้อมมาแล้วเร้ยกว่าพร้อมพร้อ ม, พ ร, อ ม, พ, รอมพร้อมทุกอย่างแล้วพออาจารย์ชีว้ว่านั่นอะไรที้ถามว่านั่นอะไรในขวดน้ําครับผมน่นอะไรก้างบนเมฆ แค่นั้นมันรู้ทำแล้วเห็นไหมก็บรรลุทำเลยนี่เขาเต็มปรีมาแล้วอย่างนี้แล้วก็เขาปฏิบัติยังเหลือนิดเดียวไปสะกิดนิดเดียวแค่นั้นเองผ่านแล้วอย่างนี้ทีนี้อะไรทุกอย่างเราต้องมองแล้วก็ต้องมองตามความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่ามองอยู่ตรงนั้นเป็นของจริงเป็นของจริงมันไม่มีอะไรจริงสักอย่างไม่มีอะไรจริงสักอย่างในโลกนี้ เราะอะไรมันสมมติทางนั้นเลยมีแต่สิ่งสมมติทางนั้นสมมติสมมติสมมติซ้ำซากอยู่อย่างนั้นเน่สมมติเนี่ยมันมีแต่สมมติฉะนั้นเราต้องฉีกหน้ากากห้สิ่งที่สมมตินันออกไปเสียหรือว่าไอ้เท้าหนึ่งไปเหยียบที่สมมติออกเท้าหนึ่ ง, มมงขึ้นไปข้างบนเหยียบข้างบน ให้เราก็จะเห็นว่าโอ้พอเราไม่เอาสมมติแค่นั้นเองถึงอะไรที่นี้วีมดวิมุดวีมดก็มือคือมันไม่มีอะไรที่จะน่ายึดถือเลยพอเราเห็นว่าสมมติทางนั้นสมมติในที่นี้ก็คือเราเห็นว่าไอ้สมมติเนี่ยพอเห็นสมมติสมมติสมมติสมมติมันไม่ใช่ของจริงพอปัญญาเกิดขึ้นมามันไม่ใช่ของจริง มันเป็นอนิจจังไหลเรื่อยเป็นท mm. like ุกขังไอ้สมมตินั้นเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้สมมตินั้นมันเป็นทุกขังถ้าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าไอ้ทุกอย่างมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนเมื่อเดือนก่อนหลวงพ่อไปบรรยายที่กรองเิดดัววพุทโสมกลับไปขึ้นเครื่อง ทีนี้เครื่องก็ไม่ได้จอดที่วงช้างขวงพ่อก็ตั้งก็ต้องเขา ก, ก, ก็นั่งไอ้รถเข็นไปแล้วก็ไปขี่รถยกไปขึ้นรถยกอีกครั้งหนึ่งตอนที่นั่งรถยกกันเอเพราะว่าผู้สูงอายุหลายคนนั่งอยู่ด้านข้างของหลวงพ่อมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งหน้าแต่งตาสวยอ่า แค่ก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุหน้าตายับยู่ยี่แต่ว่าดูแล้วก็ทรงเดียวกันทีนี้พอเห็นว่าทรงเดียวกันอย่างนั้นหลวงพ่อไม่รู้เป็นยายหรือเป็นทวดของคนนี้แต่ต่อไปคนนี้ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้ น, นเห็นอย่างนั้ น, นก็หมดเลยความสวยนะั้นหมดเลยเนี่ยมันหมดเลยนี่แต่ว่าเรามองความจริงอย่างนี้ พอมองความจริงอย่างนี้ความยึดมั่นถือมันมันก็หายหมดมันก็หายหม ด, ม น, หหมดนี่ไหมฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาเห็นอะไรต้องใช้ปัญญาได้ยินอะไรต้องใช้ปัญญาได้กลิ่นเข้มรสสัมผัสรู้อารมณ์ต่างๆอันว่าเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเกิดดับเกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนมันว่างจากตัวตน มันมีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับทั้งนั้นเลยไปภาวนาดูเถอะว่าจริงทั้งปวงเกิดดับเกิดดับเกิดดับอาหารเราใส่เข้าปากแป๊บเดียวอร่อยเอ้าดับไปแล้วเห็นไหมทุกอย่างมีแต่เกิดดับเกิดดับเอาหายใจเข้าแป๊บเดียวหายใจออกอีกแล้วอยู่อย่างนี้แค่กินข้าวกินกันทั้งเท่าไร่ไม่รู้กินตั้งตั้งแต่เกิดจนเดี๋ยวนี้กินไม่อิ่มสักทีหนึ่งข้าว ถ้ากินอิ่มแล้วก็ไม่ต้องกินกันต่อไปไม่ต้องทานกันต่อไปแต่นี้กินวันหนสองเวลาสามเวลามันไม่อิ่มนี่คือมันไม่อิ่มกินไม่อิ่มกินแล้วมันถ่ายออกกินแล้วมันถ่ายออกกินแล้วมันถ่ายออกหายใจข้าแล้วก็หายใจออกหายใจข้าแล้วก็หายใจออกนี่มันมีแต่เรื่องเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นนั่นแหละคือความทุกข์คือความทุกข์แต่เรามองไม่เห็น แถ้าเราเห็นเรื่องเกิดดับมันก็ยกจิตขึ้นสู่ขึ้นสู่อะไรขึ้นสู่จุนจะตายโอ้ยมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยทุกอย่างว่างจากตัวตนที่มันได้เกิดดับเพราะมันว่างจากตัวตนมันเป็นเด็กแล้วมันเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวเป็นคนกลางคนเป็นคนแก่นี่นี่นี่แล้วก็ตายอ่าลงหลุมเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่มีใครเหลือเลย กันอย่างนั้นทั้นเลยลทีนี้ไปดูจิตอีกโอ้ยพอนั่งสมาธิล้วก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้าไม่นั่งสมาธิมันขนาดไหนลองคิดดูดิมันเกิดดับไม่หยุดไม่รู้จักเหนื่อยนทีนี้พระนิพพานนาะผู้ที่ไปถึงพระนิพพานน่ยไม่ต้องเหนื่อยกินแล้วอิ่มเลยกินอะไรกินอาหาอะไรกินสุญญาตาเข้าไปกินอนิจจังเข้าไป อนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังไม่เอาจินอาณาตาคือเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนเพาเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นเลยเอา้านี่มันว่างนี่ว่ามันว่างจากตัวตนเนี่ยเห็นอะไรก็ว่างว่างว่างว่างว่างแต่ไม่ใช่ว่างไม่มีนะต้องย้าว่าว่างจากตัวตนทุกอย่างว่างจากตัวตน พอ ว, ว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนนี้เริ่มเริ่มเข้าหาพระนิพพานแล้วถ้าเปธรรมมานิพพานนางปรเมงฉุนยังนิพพานว่างนิพพ า, า, านน่ยคือวาาาอ่างนิพพานนางปรเมงฉุนยังนิพพานว่างปรเมปรเมนุตรระุญญตาว่างจนกระทั่งว่างอย่างยิ่ง ปรมานุตรสุญญตานิว่างอย่างยิ่งว่างจนไม่มีอะไรที่จะว่างอีกแล้วนี่เสร็จแล้วเป็นยังไงเขาก็เลยอยู่กับพระนิพพานคือความสงบเย็นเลิกยึดมั่นถือมัน่นว่างหมดเพราะเลิกยึดมั่นถือมั่นหมดเพราะเลิกยึดมั่นถือมั่นหมดจิตก็เข้าสู่ธรรมชาติธรรมชาติ ต, ตัวนั้นคือความสงบ ขอพูดให้ฟังเอกว่าความสงบนี้กายวาจาสงบจิตสงบกิเลสสงบความสงบนี้จากจิตาจากจิตจากจิตแล้วก็ไปสู่จิตคือเข้าไปสู่จิตว่างจิตว่างนี้มาจากไหนมาจากธรรมชาติ ธรรมชาติเมื่อก่อนมีแต่ว่างสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นแล้วต่อมาคลอดออกมาคลอดออกมาเป็นอะไรเป็นขี้ฝุ่นเป็นก้อนหินแล้วก็เป็นโลกเป็นดวงจันทร์ดวงดาวเป็นจักรวาล น, นี้ขึ้นมาอะไรขึ้นมาคลอดออกมาจากความสงบทางนั้นเลยดังนั้นเมื่อคลอดออกมาจากความสงบนี่ ความสงบนั้นคือแม่แม่ของทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ในสมัยนั้นในสมัยนั้นในสมัยที่ก็ตามหาพระนิพพานกั น, นพระองค์ก็ตามหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพ่อที่เขาเคยพูดพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมคือความสงบเป็นแม่พระอริยสง เป็นพี่ทีนี้ตามหาแม่เราตามหาแม่นี่รู้ไหมที่เรามานั่งมาดูมาฟังหลวงพ่อนี่เราทุกคนตามหาแม่แม่ของเราอ่ะที่แม่ที่คลอดเราออกมาแม่สมมติแ้่เราอ่ะเราก็สมมติลูกก็สมมติหลานอ่ะหลานก็สมมติทีนี้เป็นยังไงพระพุทธเจ้า พระองค์ต้องการแม่ที่แท้จริงที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายมันต้องมีมันต้องมีแน่นอนไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะทุกอย่างมีกลางวันมีกลางคืนมีดีมีชัว่วมีของคู่ทั้งนั้นเลยแต่ว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่ทำยังไงก็ เ, เลยคิดค้นในสมัยนั้นจนพระพุทธเจ้าพระองค์ค้นก่อนค่ น, ค น, ค น, ค น, คนจนพบแม่ แม่ก็คือความสงบพอใครไปถึงจุดที่ว่าเลิกความยึดมัน่นถือมั่นโดยเด็ดขาดแล้วรูปไม่ใจกูอิตนาไม่ใจกูสัญญาไม่ใจกูสังขารไม่ใจกูวิญญาณไม่ใจกูอะไรก็ไม่ใจกูทั้งนั้นเพราะมันเกิดดับเพราะมันเกิดดับไม่ใจกูทั้งนั้นพระองค์ก็เลยทิ้งโดยเด็ดขาดพบความสงบคกอพระนิพพาน นิพพานอะเปริวเย็นเปริวเย็นสมัยโนนิพพานเนี่ยเขาพูดเ ป, เป็นภาษาชาวบ้านเด็กคนหนึ่งจะกินข้าวต้มพอเอาข้าวต้มใส่เข้าไปในปากร้องไห้จ้าเลยแม่ถามว่าโอ้ยโง่จริงอเด็กคนนี้ก็รอให้ข้าวต้มมันนิพพานก่อนที่จริงจะกินได้ฉะนั้นนิพพาเนเปริวเย็น เรยว่าเย็นนิพานนี่นิพานของวัตถุเนี้นิพานของสัตว์นิพานของสัตว์เราไปจับสัตว์มาจากในป่าจับช้างจับมา้าจับปัว่าจับควายเอามาจากในป่าเสร็จแล้วก็ต้องเอามาฝึกเนี่ยอย่างภาพดิอยู่ทางสายมือหลวงพ่อนี่มันเป็นเรื่องนี้แหละเียนี้เป็นยังไงเขาก็เลยจับสัตว์มาจากป่าแล้วเอามาคึก จนพยศของสัตว์ป่ า, าหายไปหมดว่าซ้ายก็ไปซ้ายว่าขวาก็ไปขวาไม่ด้้ออีกแล้วนั่นหมดพยศเห็นไหมนี่คือนิพพานของสัตว์อันนี้นิพพานของคนนะอยู่ที่ตรงไหนเราต้องทำไอ้พยศต่างๆที่อยู่ในเรานี่แหละไอ้ราคะนี่คือตัวพยศ โทสกับตัวประยชน์โมหะกัตัวตัวประยชน์มันโง่มันจึงได้โกรธมันจึงได้หลงมันจึงได้โลภเพเพราะมันโง่เหม็มเพราเพราะมันโง่ทีนี้มันต้องจัดการเรื่องราคะหรือโลภพระโทสะโมหะออกไปเสียเมื่อจัดการออกไปเสียแล้วมันก็หายโง่พอหายโง่ก็อาัยมันก็เลยหายบ้าไปเลยหายบ้า ี่นี่พูดเรื่องบ้าเราคิดว่าเราไม่ได้บ้าเราไม่บ้าคนนั้นก็ไม่บ้าคนนี้ก็ไม่บ้าคนโน้นก็ไม่บ้าบ้านี่มันมีเป็นระยะระยะเราโกรธขึ้นมานั่นบ้าขึ้นแล้วบ้าขึ้นแล้วพอโลภขึ้นมาโง่ขึ้นมานั่นแหละบ้าทางนั้นแหละแต่บ้าอย่างนี้เรียกว่าบ้าชั่วคราวบ้าเว้นวัก มาันหายใช่ก่อนไปโรงพยาบาลไม่ทันแต่ถ้ายึดมั่นถือมันอีกมันก็เกิดอีกมันก็เกิดอยู่อย่างนั้นเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเพราะว่ามันเป็นอะไรเรียกว่าเป็นนิสัยความเคยชินพราษาบาลีก็เรียกว่าอนุสัยอนุสัยความเคยชินอพอมันเคยชินอย่างนั้นนี่เรียกว่าบ้าชั่วคราวทีนี้พวกที่บ้ามาราธอน นั่นบ้าเลยบ้าเลยไม่มีสติเลยนั่นบ้ามาราธอนโน่มาราธอนมาราธอนนีาราร่รักษาไม่หายหรอกบ้ามาราธอนนี่จะหายได้ยังไงหมอให้ยาหมอให้ยาเพียงให้นอนหลับนอนหลับนอนหลับนอนหลับให้นอนหลับคือสะกดสมองเอาไว้อย่างนั้นให้มันนอนหลับอย่างเดียวมันซึมอยู่อย่างนั้นเนี่ยทีนี้ต้องมีพี่เลี้ยง ปีเลี้ยงบอกไปทางซ้ายก็ไปซ้ายปีเลี้ยงบอกขวาก็ไปขวาปีเลี้ยงบอกว่าเดินตรงๆก็ไปตรงๆนั่นเห็นไหมนั่นคือบ้ามาลาตอนแต่ว่าระ ง, งับได้ด้วยยาทีนี้คนที่บ้าจนถึงที่สุดในสมัยพุทธกาลก็คือนางปตาจารานนะั่นแหละบ้าถึงที่สุดเพราะอะไรยึดมัน่นถือมัน่นผัวตาย ลูกสองคนตายพ่อตายแม่ตายเบลกแตกเลยเห็นไหมนั่นอ่ะบ้าเลยที่นี่เบลตแตกเบลตแตกเออวันนั้นก็ไปที่เฉยตวันกันเดินเป็นแถวตอนเย็นก็ไปฟังธรรมก็เดินกับเขาด้วยไม่รู้เรื่องอะไรอะป้าพรก็ไม่ได้นุ่งพอพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รู้รู้ด้วยพระญานของพระองค์นั่นแหละวันนี้ก็จะต้องพูด ช่วยเหลือนางปาตาจาราแล้เราองค์ก็พูดเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องทุกคือเรื่องความยึดมัน่นถือมั่นนั่นแหละมันทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทีนี้เป็นยังไงนางก็ไปนั่งข้างหน้านั่งควงั ง, ง, ควงอย่างดีเลยนั่งควังอย่างดีพอกฟังไปควังมาปรบขึ้นมาสติมาเลยพอสติมาโดยสมบูรณ์ขึ้นสติสมบูรณ์ขึ้นก่ เอามือสองข้างนะเอาม า, าปิดหน้า อ, อกเพราะเกิดความระอายขึ้นมาพระพุทธเจ้าเลยต ร, รัสว่านี่น้องหญิงเธอจงมีสติขึ้นมาเถิดนี่หายเลยที่นี่หายบ้าเลยนี่นี่คือยาของพระพุทธเจ้าต้องเห็นทุกต้องเห็นนี่ได้เกิดทุกเห็นความดับทุกเห็นหนอนตาให้ถึงความดับทุกขนี่ มันต้องเห็นความจริงมันจริงจะหายบ้าแหมไม่อย่างนั้นเราทุกคนก็บ้ากันทางนั้นแหละบ้ากันทั้งเมืองบ้ากันทั้งโลกแต่ใครบ้างที่ไม่บ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่บ้านั่นแหะท่านไม่บ้านี่เราอย่าไปข้าวข้างตัวเราไม่บ้าไม่บ้านะมันชั่วคราวบ้าก็ชั่วคราวนี่เขาเรียกว่า อนุสัยอนุสัยคือความเคยชินโกรธจนชินโง่จนชินโลภจนชิ น, นทีนี้เรียกว่าพอเป็นอย่างนั้นแล้วเคยชจริงพอจินแล้วมันไหลออกทีนี้พวกแห้มันไหลออกไหลออกนี่เรียกว่าอาสวะอาสวะสิ่งสกรปรกเนี่ยที่มันไหลออกเป็นอาสวะคือความเคยชินทีนี้ทํำยังไงเราปฏิบัติธรรมนึ่ เพื่อที่จะฆ่าไอ้ความเคยชินนี้ไ อ, อ้ขี้โกรธพอกขี้โกรธขึ้นมาอะไรหน่อยก็โกรธอะไรหน่อยก็โกรธพอเกิดโกรธขึ้นมาทำโทษที่เคหัวตัวเองโง่อีกแล้วบ้าอีกแล้วนี่บอกตัวเองโง่อีกแล้วบ้าอีกแล้วพอเราว่าอย่างนี้ลบไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันลบไม่อย่างนั้นมันมีแต่บวกบวกบวกบวกบวกวันยังไม่รู้กี่บวกเพิ่มแต่บวกแต่ถ้าเราดัางนี้ โง่อีกแล้วกูเกลหัวตัวเองแป๊ะประทีหนึ่งลบไปลบอีกลบไปอีกอลบไปวันคะแนนสองคะแนน3คะแนน10คะแนนต่อไปหวกฟกมันกดไงงอ้โง่เองแหละนี่เห็นไหมนั่นคืออนุสัยตามอนุสัยนั่นมันหายให้ความเคยชินนั้นน่ยมันหายไปไอ้หายไปนั่นแหละ เ, เรียกว่าไม่ได้บวกนั่นคือลบลบทีนี้มันมีแต่บวกนี่ อะไรน้อยก็บวกอะไรน้อยก็บวกเจอบใจก็บวกไม่ชอบใจก็บวกไม่แต่บวกบวกบวกบวกบวกวันหนึง่งทั้งกี่บวกเนะี่ยลองคิดดูดทีนี้เราต้องลบลบอนุสัยลบออกลบออกลบออกลบออกพอลบออกเลยอาสวะคือสิ่งที่สปกปรกมันไม่มีจะออกอีกแล้วจงสิ่งสปกปรกมันไม่มีอีกแล้วละราคะระโทสะ ระโมหะพระอาหารต่านละราคะโทสะโมหะอาวิชชาราคะโทสะโมหะเป็นอาหารของอวิชชาจำไว้ให้ดีอทีนี้พอเราไม่ไม่ให้มันกินอาหารตายเลทีนี้มันจะอยู่ได้เลยออวิชชามันก็ตายทีนี้มันก็เกิดวิชชาเกิดปัญญาขึ้นมานี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งๆเราอย่าบวกให้มากลบมันบ้าง ลบไปลบไปลบไปลบไปจนหมดเหลือศูนย์เป็นศูนยาตาเลยทีนี้นี่คือการปฏิบัติธรรม ธรรมก็คือพระอรหันต์องค์แรกที่ท่านไปเผยแพร่ธรรมะในประเทศจีนพระโพธิธรรมกับใบไม้พระโพธิธรรมได้เดินทางมาประเทศจีนเพื่อที่จะสนทนาธรรมกับพระเจ้าวุติแห่งราชวงศ์เหลียงแต่ไม่สามารถทำให้พระองค์บรรลุทำได้ งเดินทาเดินย่างไปบนใบไม้ข้ามแม่น้ำแยงสี่เขียงเพื่อเดินทางกลับอินเดียก็ความบนภาพนี้ก็คือภายใต้ขวาท้าติลลึกโปรง่งใสย่างข้ามบนบนย่างข้ามบนผิวน้ำอย่างแปลวเบาแต่สามารถรู้ถึงความลึกซึ่งเป็นหลักสำคัญ ยิ่งของเซ็นทีนี้ไม่ต้องเชินไม่ต้องเซ็นเรานี่แหละสังเกตดูอันนี้เราเดินจงกรมเพราะเราเดินจงกรมเดินไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูหยาบหยาบตอนแรกเราเดินหยาบหยาบไม่ใจกูไม่ใช่กูไม่ใจกูไม่ใช่กูเอาต่อไปตั้งหนึ่งใหม่เดินละเอียดยกซ้นไม่ใจกู ยกขึ้นอยู่กลางอากาศจั้งกวะเท้าไม่ใช่กูเหยียบลงปล่อยไม่ใช่กูอ่าเนี้ยไม่ใช่กูไม่ใช่กู ไ, ไม่ใช่ ก, ช ก, ช ก, ชกหูหลายจังหวะจนถึงจิตสงบพอจิตสงบแล้วก็จะเบาเดินลากเท้าไป น, นี้เดินลากเท้าไปอ่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่ ก, ชกูเดินไม่ไหวแล้วมันติด อย่างนี้เลียกว่าติดพอติดสมาธิพอติดสมาธิก็ยืนนิ่งนิ่งที่นี้ยืนนิ่งนิ่งยืนนิ่งนิ่งยืนเสร็จแล้วจากที่การภาวนาที่เท้านั้นมาอยู่ที่จิตทีนี้ให้มาอยู่ที่จิตมาอยู่ที่จิตก็บอกตัวเองว่าอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งไม่อะไรอยู่นิ่งนิ่งไม่อะไรทางนั้นเลยอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งมันก็เลยเบา บาตั้งกายเบาทั้งจิตทีนี้พระโพธิธรรมนี่ท่านมีเรียกว่าท่านได้ฌานได้ฌานสีได้ฌานแปดท่านก็สามารถที่จะยืนบนใบ ไ, ไม้หรือว่าเดินบนน้ําได้อย่างนี้นี่แหละนี่แหละคือฤทธ์ก็เรียกว่าฤทธ์ทีนี้เป็นยังไงมีอยู่ครั้งหนึ่งพระโพธิธรรม ท่านไปอยู่ขออยู่วัดวัดหนึ่งแต่ท่านไม่ได้อยู่กุฏิวิหารท่านเข้าไปอยู่ในถ้าเล็กๆในวัดนั้นเป็นยังไงร่รำรวยมากโจนหน้าร้อยหมาปรน้นโอโจนหน้าร้อยหมาปรน่นทีนี้เป็นยังไงท่านขเขแสดงฤทธิ์ของท่านพวกนั้นก็เลยเอาเงินเอาทองเอาอะไรไปหมดพอเอาไปแล้วไปไหนไม่ได้ เวียนอยู่ตรงนั้นแหละเวียนอยู่ในวัดนะเน่ยเวียนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปเดินไม่ออกจากวัดแต่ครั้งหนึ่งอย่างนั้นเนี่ยพวกนั้นก็เลยตกใจตกใจกัอก็ท่านก็เลยบอกว่านี่พวกเธอในทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องเมื่อก่อนนะไม่เชื่ออตอนนี้ก็เชื่อแล้วพอเชื่อแล้วก็โจ น, นั้นก็ศรัทธาในพระพุทธธรรมโจน่าร้อยนั้นก็เลยบวชกันหมดเลย เป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุดยอดผู้หลับทั้งสี่ได้แก่สิท์ทั้งสองอาจารย์และเสือที่อาจารย์ทำให้เชื่องหลับกันหมดตอนนี้หลับกันหมดผู้หลับทั้งสี่ปากนี้ทีนี้เสือเราลองคิดดูดิเราโกรธขึ้นมา น, นั่น เสือแล้วเสือแล้วเสือแล้วเสือไม่หลับแล้วนั่นเองทีนี้การที่จะฝึกให้จิตนี่มันเชื่องก็เหมือนเราฝึกเสือนั่นแหละฝึกเสือจนเสือหมดประยศน์เสือนั่นก็กลายเป็นแมวเลยทีนี้เหมือนกับแมวดีนี่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอะไรทีนี้หลับก็หลับสบาย หลับก็หลับสบายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรานอนหลับสบายเพราะนอนหลับด้วยความไม่ยึดมั่นถือมัน่นแต่พระเจ้าปเสนทิโกสนหลับไม่สบายคิดแต่เรื่องผู้หญิงลูกเขาเมียใครเนี่ยชอบชอบแต่พวกสนมกำนันลูกใครสวยอะไรยังไงเอาหมดนอนไม่หลับ พระเจ้าประเสริฐที่โกศ น, นอนไม่หลับจนคืนหนึ่งองค์พ่อ ก, ก็เคยพูดให้ฟังคืนหนึง่งเราะนอนไม่หลับในเรื่องของคิดถึงผู้หญิงนั่นแหละได้ยินเสียงพวกเปรตสี่ตนเปรตสันรสนรกสันนรกสันนรกที่มันหมกม้าอยู่ในทะน้ําร้อนที่อยู่ใต้บาดาลเขาว่าอย่างนั้นที่อยู่ใต้บาดาลใต้โลก หรือว่าในตรงกลางใจโลกอยู่ในกระทะน้ำร้อนพุดขึ้นมาสามหมืนปีถึงปากกระทะแล้วก็ลงไปอีกสามหมืนปีทีนี้พวกนั้นไม่รู้กี่หมื่นปีแนละ้วที่อยู่กี่เทือนกี่ล้านกี่แสนปีก็ไม่รู้นะแล้วก็อยากให้เพื่อนมนุษย์นี่อย่าทำชั่วเหมือนพวกเขา ก็เลยเปล่งวาจาขึ้นมาพอมาถึงปากหมอ่อปากหม่อทองแดงพอมาถึงปากหมอ่อไอคนหนึ่งก็ว่าตู้ะจะกล่าวกาถาตักเตือนกล่าวไม่ได้ได้แก่ตัวเดียวจมลงไปอีกแล้วอไอคนหนึ่งคนสา้อมไปอีกคนหนึ่งคนงนะคนหนึ่งก็โสตุ้ศาณโศสี่ตัวสี่ตัวนี้พอออกมาเป็นกาตานี่ยาว พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเป็นคาถาออกมาทีนี้พระเจ้าประเสริที่โกรธสน่ะว่ท่านได้ยินหลังนั้นก็ตกใจกลัวเป็นการใหญ่ก็ให้ปรามโครหิตมาทํานายพวกปรามนะก็บอกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้พระองค์จะต้องเสียบันลังเสียชีวิตในครั้งนี้แน่นอนอโครหิตเราจะทํำยังไงเราจะทํายังไงมีทางออกพระเจ้าข้ามีทางออก เลยต้องไปหาผู้หญ like ิงสาวสวยๆมันเท่าไรหนึ่งร้อยคนผู้ชายรลรอๆหนึ่งร้อยคนเด็ดตารคร้อยคนเด็ดหญิงร้อยคนเด็ดชายร้อยคนแพะร้อยแกะร้อยหัวร้อยควายร้อยมาเรือร้อยร้อยร้อยอย่างร้้อยทั้งนั้นนี่เห็นไหมนี่นั่นคือราคาทีนี้เป็นยังไงพอจับมาที่ไว้ที่สนามแล้ว สนามในเมืองนั่นแหละมันก็ร้องกันระ ง, งมไปหมดเลยพระนางมาลีกาเรียกว่าเป็นเมียหลวงอะไรกันเนี่ยเสียงรง้องเสียงแเปะเสียงแก่เสียงหัวเสียงควายเสียงคนพระ อ, องค์ก็เลยมาที่พระเจ้าปเสนที่โกศลมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้ากา้าเออเธอนี่ไม่รู้เรื่องเลยเลยเราจะตายอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหม เธอยังไม่รู้หรือโอ้โอยางนั้นหรือพระองค์นะเสวยอาหารข้าวทุกวันละหนึ่งทานานแล้วก็ของอย่างดีอย่างดีอย่างดีทั้งนั้นไม่น่าที่จะโง่อย่างนี้นี่โดนเมียจัดการแล้วเมีหลวงกนี้นเอา้าถ้าจะแก้ก็แก่อย่างนี้ดินี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่เจตวันเนอะอยู่ที่เจตวันประทับอยู่ไปหาพระพุทธเจ้ากันดีกว่า ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าตั้งแต่เที่ยงเลยทีนี้ตามปกติพระราชามาอากติัตริย์ก็ไปตอนค่ำๆก็ไม่มีเวลาเพราะว่าต้องทํางานราชการเป็นยังไงทีนี้โอ้เป็นยังไงวันนี้พระองค์จึงเสด็จมาตั้งแต่เที่ยงไม่พระนางมณิกาออกหน้าเองหมดออกหน้าเองพูดเองหมดพระเจ้าปร เศนาติโกชน น, นั่งโกตกแล้วทีนี้ก็พระองค์ก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรสำหรับพระองค์เลยเปรตหรือว่าสัตว์นรกสี่ตนมันทำแต่ความชั่วเพราะมันเป็นลูกของเศรษฐีมีรักแปดสิบโกด8ปดสิบโกด8ปดสิบโกดและเศรษฐีตายไปมีลูกเดียวกันทางนั้น นลูกพวกนี้ไม่รู้จะทำอะไรกับทรับแปดสบโกดก็เลยอยู่กับผู้หญิงกินเมาเล้าเมายาสมัยนั้นยาบ้าก็ยังไม่มีบ้ากับเหล้าบ้ากับผู้หญิงย่ำยีผู้หญิงเป็นว่าเล่นพอตายไปก็เลยตกนรกตกนรกแล้วก็นั่นก็ขึ้นมากี่ปีสาม0มืนปีลงไปอีก สามหมื่นปีของมนุษย์มันเต้าไหร่ลองคิดดูนี่คือการทำความชั่วจากนั้นพระเจ้าาเสนที่โกโชนพอได้ยินเรื่องนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละก็เลยทำให้เพราขึ้นและก็หายลุ่มหลงในเรื่องของผู้หญิงคือราคาทีนี้ถ้าไม่ได้ก็โทสนะเพราะอำนาจแห่งความโง่นี่ราคะหรือโทสะอานาจแห่งความโง่ แต่ถ้าไม่มีโมหะคือมีวิชาราคะโทสะอาวิชานั้นหายไปหมดนี่นั่นแหละอย่างนั้นเรียวกว่าเป็นผู้รู้แท้ทีนี้จิตนั้นเป็นยังไงแต่เอาราคะโทสะโมหะเอาวิชานออกไปนี่จิตนั้นก็ส ง, งบเหมือนกับเสือเหมือนกับเสือนี่แหละกลายเป็นแมวก็ เ, เลยนอนกันทั้งคนทั้งเสือทั้งลูกเสร็ ทั้งอาจารย์นี่แสดงว่าเป็นพระอราันกันหมดแล้ว เปรียบเหมือนการบรรลุธรรมที่จับต้องได้ยากน้ำเต้าลูกน้ำเต้าลื่นประดุกมันก็ลื่นไอนี่เราจะจับประดุกใส่ในน้ำเต้าไอ้น้ำเต้าปากมันก็เล็กเห็นไหมเล็กดังนั้นในเรื่องของจิตลื่นไหลเพราะจิตมันไม่มีตัวตน จิตนั่นก็ลื่นไหลลื่นไหลลื่นไหลเหตุการ์มมันรู้ทที่ยากนะที่มันยากเพราะจิตไม่มีตัวตนแ้่เราจะต้องมีสติปัญญาที่ลึกซึง้งก็คือญาณต้องปฏิบัติให้เกิดญาณพอเกิดญาณขึ้นมาจึงจะเห็นอริยสัจได้พอเห็นอริยสัจ ต, ต่อไปก็ขยายขยายขยายขยายขยายออกไป ขยายออกไปยังอริยสัจกวายเกิดทุกอริยสัจกวายดับทุกเนี่ยขยายออกไปขยายออกไปทีนี้ไอ้ที่เกิดกวายไอ้ที่ควายเกิดทุกเกิดทุกเกิดทุกหถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่มันมีแต่ควายเกิดทุกอย่างเดียวร้อยเปอร์เซนต์พอเราปฏิบัติธรรมเรารู้อริยสัจกวายเกิดทุกกวายดับทุกเป็นยังไงทีนี้ไอ้กวายเกิดทุกมันก่อยๆลดลงลดลงลดลง มีแต่ความดับทุกทีนี่มีแต่ควายดับทุกอะไรเข้ามาก็ดับอะไรเข้ามาก็ดับอะไรเข้ามาก็ดับเพราะฉะนั้นอริยสัจติทุกสมุทยัยนั่นคือค่ายทุกขความดับทุกนิโรดนิโรตตัวดับอริยมรรตัวที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วให้เกิดตัวดับนั้นขึ้นมาถ้าเราก็เลืออยู่กับตัวดับไม่อยู่แล้วก็ไปตัวเกิด ตัวเกิดก็คือเกิดทุกข์ตัวดับก็คือดับทุกข์ทีนี้ก็อยู่กับความสงบพอดับทุกข์หมดก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วนันก็เลยสงบอยู่กับความสงบจูนเข้ากับความสงบได้เลาเดินเข้าไปในป่าไม่ต้องมากกลางวั น, นเดินไป เ, เดินไปที่เดินจงกรมเดินคนเดียวอย่างเนี้โอ้ยมันช่างสงบสงบสงบ สงบจริงๆไอ้มันอะไรเนี่ยมันอะไรเนี่ยเนี่ยมันจะมีแต่ความสงบในนี้ความสงบของเรานี่มันชั่วชั่วกราวแต่ถ้าเราไปกลัวจะอีกเอา้าความสงบหายอีกหายหมดอีกถ้าอย่างนั้นความสงบเนี่ยมันมีอยู่ก่อนก่อนที่จะมีอะไรทั้งหมดนัะนนั่นใ น, น, นที่หลวงพ่อบอกว่าแม่แม่แม่แ ม, แ ม, แม่แม่ของเราอ้าแขนสําหรับที่จะโอบกอดเรา แต่ว่าเราเป็นเด็กดื้อเป็นเด็กดื้อไม่กล้าไปในอ้อมกอดของแม่คือความสงบความสงบหรือพระนิพพานนั่นแหละเป็นของทุกๆคนไม่ต้องสวยไม่ต้องรวยไม่ต้องยากจนไม่ต้องอะไรทางนั้นเลยไม่ต้องขี่เครื่องเอสขี่อะไรอี่เรียกว่าไม่ต้องรถเบ้นรถเบ้นอะไรก็ไม่ต้องพระนิพพานไม่มีอะไร มีแต่ความสงบจิตที่สงบสงบสงบสงบนอนก็สงบนั่งก็สงบยืนก็สงบกินก็สงบตื่นก็สงบหลับก็หลับด้วยความสงบน่มันจะมีแต่ความสงบนั่นคือแม่ของเราแม่ของเราคือความสงบแม่ของเราด้วยแม่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายแม่ของโลกของจักรวาลนั่นคือความสงบอยู่ที่ความสงบเพราะฉะนั้นจากจิตว่าง ไปสู่จิตว่างจิตที่ว่างจากตัวตนไปไหนไปสู่จิตว่างไปสู่จิตว่างก็คือจิตที่สงบก็ไปอยู่ที่เดิมนะทีนี้ไปอยู่ที่เดิมเพราะจิตสงบไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความสงบนั้นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายโลกนี้มันจะพังไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือความสงบนั้นก็ยังอยู่ยังอยู่ ทีนี้ประาทิตย์จะแตกสลายมันจะดับความสงบนั้นก็ยังอยู่ดวงดาวในจักรวาลนี้มันจะสลายไปหมดความสงบนั้นก็ยังอยู่เนี่ยความสงบนั่นคือแม่ของเราพ่อค้นพบแม่ค้นพบแม่แต่แล้วมีแม่อยู่ในหัวใจของพ่อคือความสงบพ่อก็เลยบอกว่านี่ลูกนี่ลูก ความสงบนะมี่ความสงบนัตติสันติป ร, รังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราก็เลยปฏิบัติปฏิบัติตามที่พี่อสอนตามที่พ่อสอนพี่ของเราก็คือพระอรรณ์ทั้งหลายที <knowledge. S 1> ่สอนพวกเราเป็นตอนตอนตอนตอนตอนตอนจนเนี่ยจนมันถึงบัดนี้แหละเสืบทอดกันมาสืบทอดกันมาเสืบทอดกันมา เพราะต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยไปพบกับแม่ของเราแม่นั้นไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแม่คือความสงบแต่แม่เราที่บ้านหรือเราที่เป็นแม่อยู่นี้เราต้องเกิดเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายไม่มีอะไรที่มาค้ำยันไว้ได้เลยมีเงินมีทองมาสารก็ค้ำยันไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายนี่ ทีความเกิดความรู้สึกนี้คำยันไม่ได้ฉะนั้นความรู้สึกที่สงบเย็นอยู่กับความสงบเย็นนั้นน่แม่แท้แล้วนั่นแหละแม่แท้ของเราทีนี้อีกไม่กี่วันเราก็จะทำเรื่องวันแม่วันที่ส2สองวันแม่แห่งชาติแต่ที่หลวงพ่อพูดแม่แห่งจั ก, กรวาลทุกๆุกจั ก, กรวาล ไม่ใช่จฉพาะแต่จั ก, กรวาลนี้จั ก, กรวาลอื่นด้วยแม่ของจั ก, กรวาลจากนั้นเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าไปอยู่ในอ้อมอกของแม่กันเถิดแล้วเราจะมีความสงบอบอุ่นเข้าไปในฝ่าเย็นสงอบอุ่นสบายบอกไม่ถูกเพราะอะไรไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรเป็นตัวกูของกูเลยหลวงพ่อก็เลย เจ้าก้าไปอยู่ในป่าวันเเจ้าครั้งสองครั้งไปที่กุฏิที่มีแต่หลังคานั่นแหละกว่าไม่มีกว่าไม่มีแต่ว่าตอนนี้ก็จะให้ยอมยินดีเขาทำทำใหม่แต่ไม่ปรับปรุงทำหลังใหม่ขอมีห้องน้ําห้องซ่วงก็ใช้ได้แล้วแตาวันไหนไม่มีแขกลองพ่อก็ไปอยู่กับแม่สบายสบายที่นั้นน่ะไปอยู่ในอ้อมอกของแม่สบายนี่ นี่เพราะมันไม่มีฝาเอาอันนั้นแหละทาฝาต้นไม้ทาฝาร่างกาก็มีกระเบื้องแล้วใอ้พระไปเปลี่ยนหลังคาแล้วก็สบายสบายเยน็ยนเยน็ยนเยน็นเย็นสบายนั่นพบแม่ถ้าไปที่นั่นก็พบแม่ถ้าไปในถ้าก็พบแม่ไปที่ทะเลก็พบแม่ไปอยู่บนยอดเขาก็พบแม่แม่อยู่ในที่ทั่วไปเราไม่รู้จักแม่ รู้จักแม่ที่บ้านนะแม่สมมติหรือว่าตัวเองเป็นแม่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักว่าแม่ตัวจริงกันคืออะไรแม่ตัวจริงกัน ค, คือความส ง, งบนี่แหละเราปฏิบัติธรรมเราต้องมีจิตมุ่งมีความมุ่งหมายว่าต้องเดินให้ถึงอ้อมอกของแม่เมื่อไปอยู่ในอ้อมอกของแม่แล้วเรามีความอบอุน่นอิ่มอกอิ่มใจสบายที่ต้อง บอกไม่ถูกนี่เนี่นะิพพานังปรรมังสุ ข, ขังเพราะว่านิพพานังปรรมังสุนญญงนิพพานว่างอย่างยิ่งเมื่อว่างถึงที่สุดแล้วเย็นดีนี้เย็นเงีสงบเย็นมีแต่ความสงบเย็นทีนี้นี่คือกําไรของชีวิตที่เราทุกคนเกิดมาแล้วไม่ใช่มีแต่หาเงินหนเงินหนเงินลูกเดียวไม่ใช่เงินก็หา แต่ว่าไม่ต้องมีความทุกข์ถ้าหาแล้วเอามาทุกข์แล้วหาไปทำไมเหมือนหาห่ามาใส่หัวนั่นแหละหามาทำไม่ที้เงินมันต้องเป็นทาตเราไม่ใช่เราเป็นธาตเงินเงินมันต้องเป็นทาตเราอย่าเอามาไห้บนหัวไว้ใต้ขวาเท้าของเราเเราจะใช้งานมันดั่นั้นต้องไววขวานใต้ข ว, า, ขวาเท้าอย่างนี้มันจึงจะสมกับว่าเราปฏิบัติธรรม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 เกือบสามทุ่มแล้วเพราะว่าท่านที่เป็นข้าราชการก็จะต้องทำงานอีกวันพรุ่งนี้วันศุกร์มันคงได้ไม่หมดทั้งหมดมันมีสามสิบห้าภาพต้องอธิบายกันไปภาคคำ่ำภาคค่ำอธิบายภาคเช้ามืดบรรยายเอากันอย่างนี้คือให้มันแปลกๆปลกกันไปบ้างและต่อไปนี่คิดว่า เวาไปบรรยายในที่อื่นก็จะต้องให้เขาถ่ายรูปที่วัดนี้ทั้งหมดให้เขารู้จักวัดหลวงพ่อนี่เป็นยังไงยังไงยังไงที่ตรงนี้แล้วต่อไปก็บรรยายทำทีนี้ให้เขารู้จักวัดก่อนกดตีหลวงพ่อเป็นยังไงสวนเซนเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงตรงไหนนี่เขาไม่ต้องมาก็ได้เขาจะได้เห็นในภาพแต่ถ้าเห็นในเว็บไซต์มันมีเพียงภาพสองภาพมันไม่พอ นี่หลวงพ่คิดว่าจะทำอย่างนั้นอีกต่อไปและนี่ไปกรุงเทพวันที่ยี่สิบมีเวลาคิดว่าจะเว็บไปหาเพลงอีกเพราะเพลงหายหมดแล้วตอนนี้ไปหาแผ่นเพลงที่ท้าประจันอีกหาแผ่นเพลงมาหน่อยนีย่แล้วก็ต้องมานั่นกันใหม่มาฝึกกันใหม่อีกตอนนี้เพลงมันกุกกุกกักกักเพราะว่ามันมันนั่นมานานเนี่ยมันลังมานานแล้ว ต่อไปก็คิดว่าถ้าญาติโยมยังไม่เบื่อก็มาดูกันมาดูกันต่อมีทั้งหลายภาพท่านที่เป็นข้าราชการก็มาได้เพราะตอนกลางคืนไม่ติดอะไรกลางวันก็ทำอะไรก็ทำกันไปประชุมก็ประชุมกันไปอย่างหัวหน้าอายการโอ้อยนะที่อยู่สงขลานะที่เป็นเลขาธิบดีอยู่ตอนนี้ วันหน้าอายการอ้อยเลขาก็ว่าโอ้ถ้าไม่ได้ธรรมะหลวงพ่อเนี่ยตายเลยอยู่ที่นอนโลกประสาทกินแน่เนี่ยพ่อรู้จักปล่อยวางอะทีนี้รู้จักปล่อยวางนั่นเองคือเลือกความยึดมั่นถือมันเพราะฉะนั้นเราทุกคนทั้งที่เป็นข้าราชการทั้งที่เป็นพอ่อค้าประชาชนจะค่อยๆค่อยๆ ย, ย, ย้ายมันบวกมาก่ปลบมั่งวันๆหนึน่งลบมันมั่ง เกิดความโรภขึ้นมาอยากอีกแล้วเหรออ่าเนี่ยเคหัวทุวคนทีหนึ่งอโง่อีกแล้วเหรอเคหัวทีหนึ่งวันนึงมันหัววกมันก็นั้นเองมาแหละมันก็เข็ดลาบเองมาเนี่ยทาอยู่อย่างนั้นแต่ต่อไปก็ไม่ต้องเคหัวต่อไปพอมันโผล่หน้ามาเมื่อไหแล้วเออเนี่ยเสร็จแล้วมันให้ไปเลยมาอีกแล้ว ผมไม่เอาไม่คบแล้วกับพวกมึงอะ่ะเนี่ราคะโทสะโมหันนี่แหละคือกิเลสตัวร้ายก็ เ, เอากิเลสตัวนั้นออกเขาสงบเจตนี้ก็สงบวราจิตสงบตัวแท้ที่มีแต่ความสงบไม่มีอย่างอื่นกลามาเซกแสงนั่นนี่ได้อยู่กับแม่แล้วแล้วเราก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดเกิดดับดับไม่ต้องเกิดเกิดดับดับ ไม่ต้องเกิดเกิดดับดับใ น, นชาตินี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเกิดจากต้องไม่อะ้รไปเกิดอีกก็เลยอู้หไม่มีใครเคยมาบอกอย่างนั้นมีแต่เรื่องอะไรทั้งนั้นเน่ยเรื่องตีไม่ค่อยจริงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราบังคับบังคับไปการย้ายจิตมีความรู้สึกว่าตัวกูนั่นแหละคือไม่เกิดแล้วโอ้ไม่ใช่ตัวกูแล้วอยู่ยังไงก็มีปัญญาดีมีสติปัญญา อเรามีสติปัญญาเราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปศีลศีลก็ทำให้กายวาจาสงบสมาธิทำให้จิตสงบปัญญาทำให้กิเลสสงบเทนี้เราต้องการปัญญาก็ต้องปฏิบัติตามปริยมักไม่มีทางหลีกเลีย่ยงเลยพระพุทธเจ้าชีว้ว่านี่ลูกทางนี้เท่านั้นนะ ทางอื่นไม่มีทางนี้เต่านั้นที่พวกเธอจะต้องเดินไปแล้วไปพบแม่ของเจ้าไปพบแม่ของเจ้าเดินทางนี้เต่านั้นก็คืออริยมรรคว้องค์แปดจำไว้ให้ดีแล้วก็สวดบ่อยๆควรที่จะสวดบ่อยๆพอสวดบ่อยๆก็ค่อยๆเข้าใจเข้าใจเข้าใจซึมซับเข้าไปเองเรื่องของ อริยมรรตเมองแปดเรื่องของธรรมจักกะปวัตนสูตรชวดบ่อยๆแต่แล้วการภาวนานั้นไม่ใช่ว่าโอ้ต้องไปวัดจะภาวนาแม้แต่นั่งดูโทรทัศน์ูเป็นยังไงเนี่ยมันจะมีอยู่ภาพอะงไรงเนี่ยในความเคลื่อนไหวนั่นแหละจะมีความสงบเย็นนี่กายเคลื่อนไหวหลวงพ่อเขาเคยพูดกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวใจสงบเย็น ใจสงบเย็นอเอาดูโทรทัศน์แต่ว่าโอ้ดูดูใจดูที่จิต ด, ด้วยอดูที่จิตแล้วมันก็จะเย็นเย็นเย็นจิตเย็นดูที่จิตถึงดูที่จิตมือของเรากดถือดีโมดเอาไว้โอ้ยช่องนี้มันใส่เสือ้อดูไม่ได้เลยบไปช่องใหม่ไปช่องใหม่ไปช่องให ม, ไหม่ไปช่องที่มันมีสาระอะนี่ เรียกว่าจิตอยู่กับความสงบดูโทรทัศน์ก็ทําได้อะไรก็ทําได้ทําได้หมดทําได้หมดถ้าเราจํานาญเลยจะทําได้หมดกินอาหารเราก็ทําได้อะไรก็ได้ไอ้นี่มันอร่อยไม่ตามใจมั น, ไ ม, มมนไม่ตามใจลิ้นอร่อยไม่อร่อยก็มันครบคําก็อิ่มแล้วก็พอได้นั่นได้แล้วแต่ทําจิตให้สงบแต่ถ้าอร่อยว่าง ไม่อร่อยก็ว่างก็คือมันว่างนี่เพราะมันเกิดดับเกิดดับนี่เห็นมันเกิดดับเกิดดับเราไม่เอาไม่เอาเราก็ไม่ยึดมั่นถือมันไม่ยึดมั่นถือมันนั่นแหละคือมันว่างอาหารนั้นก็ว่างคนกินอาหารก็ว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นนี่หละเรื่องยึดมั่นถือมันนี่แหละเรื่องที่มันสําคัญนี่ที่มันเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราต้องเสียผู้เสียคนเกิดมา ไม่มีประโยชน์ตายกับความยึดมั่นถือมั่นตัวนั้นแล้วก็เกิดตายเกิดตายเกิดตายวันวันหนึ่งตายกับความยึดมั่นถือมั่นมีเงินอยู่จักแสนสองแสนสามแสนอย่างเนี้คิดวันยี่สิบครั้งอย่างเนี้ยเห็นไหมเรายึดมั่นถือมั่นล้มตัวลงนอนอยึดมั่นถือมั่นอีกมีเงินอยู่จักล้านอย่างเนี้ยกลารไปยึดมั่นถือม man, ันไม่ไม่ต้องนอนกันทีนี้ออ จะเอาไปทําอะไรเงินล้านนี้จะเอาไปทําอะไรดีทําอะไรดีคิดคิดคิดคิดคิดอย่นี้คือยึดม er ั่นถือมันมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นในข้าวในของในเงินในทองในอะไรเนี่ยมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นพอเราข้าวขึ้นมาบนวัดเราข้าวไปในป่าเราไปที่โล่งโล่ไรความยึดมั่นถือมั่นมันไม่มีเราสังเกตว่ามันไม่มีความยึดมั่นถือมัน มันก็ร้อเออทีนี้สบายจริงนะว่าเราไม่ได้ยึดมั่นถือมันเนี่ยมันจึงสบายไปยืนอยู่บนยอดเขาอย่างนี้โอ้ยโล่งสบายอเพราะเราไม่ได้ยึดมั่นถือมันเนี่ยตัวกูก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีในตอนนั้นแต่ถ้าไปยืนบนยอดเขาโอ้ยเดี๋ยวตกลงตายนะเนี่ยยึดมั่นถือมันแล้วตัวกูเกิดแล้วพ่าตัวกูเกิดแล้วก็ความกลัวมก็เกิดอะไรมันก็เกิดกลัวตายกันมาเนี่ยเนี่ย ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเองทั้งหมดนี่คือเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นจึงเกิดตัณหาอุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นตัณหาคือตัวความอยากพออยากแล้วมันก็ยึดมั่นถือมันนี่แหละดังนั้นเราต้องจัดการกับตั ว, ตวนี้ให้ได้ เ, เวลาของการบรรยายเรื่องภาพเส้นในคืนนี้ก็ข อ, ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญ จงเกิดมีกับญาติโยมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจงทุกทุกท่านเชิญ